9. รัตนวัค 4. สูจิคราสิกาบทว่าด้วยการทำกล่องเข็มด้วยกระดูกเป็นต้นเรื่องภิกษุหลายรูป 516. สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณนิโครทารามเขตกรุงกบิลพั์แคว้นสักกะครั้งนั้นในช่างแกะสลักงาช้างคนหนึ่งประวรณาภิกษุทั้งหลายไว้ว่ากระผมจะถวายกล่องเข็มแก่พระคุณเจ้าผู้ต้องการกล่องเข็มครั้นแล้ว ภิกษุเหล่านั้น <pearls> จึงออกปาขอกลองเข็มเป็นอันมากพวกภิกษุผู้มีกลองเข็มขนาดเล็กก็ปาขอกล่องเข็มขนาดใหญ่พวกภิกษุผู้มีกลองเข็มขนาดใหญ่ก็ออกปาขอกลองเข็มขนาดเล็กนายช่างมัวทํากล่องเข็มเป็นอันมากให้ภิกษุทั้งหลายจนไม่สามารถทําการค้าอย่างอื่นตนเองก็หาเลี้ยงชีพก็ไม่พอทั้งบุตรภรรยาก็พลอยลําบากไปด้วยคนทั้งหลายจึงตําหนิประนามพลทนาว่าฉนัยพวกสมณะเชื่อสายศักยตบุตร จึงไม่รู้จักประมาณออกป่ากขอกล่องเข็มเป็นอันมากนายช่างมัวทากล่องเข็มเป็นอันมากให้ภิกษุเหล่านี้จนไม่สามารถทำการค้าขายอย่างอื่นตนเองก็หาเลี้ยงชีพก็ไม่พอทั้งบุตรภรรยาก็พลอยลำบากไปด้วยพวกภิกษุได้ยินคนเหล่านั้นตนําหนิประนามพลท น, นาบรรดาภิกษุผู้มากน้อยพากันตนําหนิประนามพลท น, นาว่า